ที่สผมต้องตายไปแล้วความตายเป็นอย่างไรความต้องการอยากเผชิญความตายฟังดูแล้วคงไม่น่าอภิรมเท่าไหร่เพราะเราหวาดกลัวความเจ็บปวดจากความตายความตายเป็นเรื่องที่เราไม่อยากคิดถึงเท่าไหร่นะเราเข้าใจผิดหรือเปล่าเรื่องราวของความตายจะอีกพบหนึ่งแตกต่างไปจากความเข้าใจของเรา ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแค่การเปลี่ยนสถานที่จากการมีชีวิตอยู่ในพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งตามธรรมชาติเท่านั้นเสียงที่เคยมาเล่าเรื่องความตายให้บูดกับเบ็ตตี้กรีนฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาไม่เคยมีเสียงใดเล่าถึงความตายซึ่งมีความกลัวและความเจ็บปวดปะปน ส่วนใหญ่พวกเขาต้องใช้เวลาซักพักกว่าจะตระหนักว่าตนไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้วช่วงเวลาระหว่างความตายเหมือนความฝันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัมผัสใหม่แห่งความเป็นจริงอันน่าพิศวงมีอารมณ์ความอ่อนไหวเพียงน้อยนิดความกังวลหลักของพวกเขามีแค่เรื่องของผู้คนซึ่งพวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลัง ว่าทำไมจึงดูทรมานและไม่สามารถเห็นได้ว่าจริงๆแล้วพวกเขายังอยู่และสบายดีมีครั้งหนึ่งวิญญาณที่มาส่งสารเกิดปัญหาปุบปับในการปรับความคิดของเขาให้เป็นคำพูดผ่านกล่องกำเนิดเสียงปกติเขาจะพูดด้วยอาการกระตือรือร้อนเหมือนนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมานานและต้องการเล่าให้ผู้อื่นฟังถึงจุดหมายปลายทางของตน เบตตี้กรีนจึงใช้โอกาสนั้นต้อนให้เขาบอกเล่าเรื่องราวซึ่งเราสนใจมากที่สุดเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะถึงปฏิกิริยาของคุณตอนที่รู้ตัวเองว่าตายลงนี่คือคำถามซึ่งเธอถามเสียงหนึ่งซึ่งแนะนำตัวเองไว้ในวันที่11เมษายนปี1959ว่าเขาเป็นชาวนาจากซัสเซ็ชื่อจอร์จฮอปกิน แทนที่เขาจะตอบเธอเขากลับพูดอีกยืดยาวอยู่คนเดียวถึงเรื่องศาสนานางกรีนปล่อยให้เขาพูดและรอให้เขาหยุดพักคุณฮอปกินเธอขัดอะไรที่รัฐบอกเราได้ไหมคะเธอพูดเสียงหนักว่าคุณเสียชีวิตอย่างไรและมันเป็นยังไงตอนนี้เขารู้ตัวอ้อได้สิเขาตอบได้เลย ผมแค่เจ็บปวดแป๊บเดียวหัวใจล้มเหลวเสียบพัน์หรืออะไรทำนองนั้นที่จริงผมกำลังทำงานอยู่ในไร่ผมรู้สึกแปลกๆคิดว่าเป็นแสงแดดวูบวาบผมหน้ามืแดแปลกๆและคงต้องหมดสติแต่โอ้ที่รักผมช็อกไปผมตื่นขึ้นแปลกๆงั้นนะพระอาทิตย์ทอแสงลงไปแล้วและก็มีผมหรืออะไรสักอย่างที่มีรูปร่างเป็นตัวผมผมคิดอะไรไม่ออก ยังงงๆผมพยายามดิ้นปลุกตัวเองผมคิดนี่มันตลกดีผมคงจะต้องฝันไปมองหาต้นสายปลายทางไม่เจอผมยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไรก็ตามผมรู้สึกตัวเองว่ากำลังเดินไปตามถนนไปหาหมอผมคิดว่าบางทีหมอคงจะช่วยผมได้ผมลองเคาะประตูแต่ไม่มีใครตอบรับผมคิดว่าก็คงไม่มีใครอยู่ ผมเห็นเพื่อนเก่าของผมสองคนดูเหมือนพวกเขาเดินผ่านผมไปไม่มีใครเห็นผมเลยผมคิดว่าพวกเขาไม่เห็นผมได้ยังไงผมอยู่ตรงนั้นพยายามหาคำตอบแล้วผมก็เห็นว่ามีใครบางคนกำลังวิ่งมาตามถนนเหมือนคนบ้าเขาตรงมาลานหมอพุ่งเข้ามาและผ่านทุกๆคนไปคู่ต่อมาผมก็ได้ยินว่าพวกเขากำลังพูดถึงผมผมคิดว่า เกิดอะไรขึ้นที่นี่นะผมอยู่ที่นี่แต่ผมกำลังได้ยินพวกเขากำลังบอกว่าตัวเองตายไปแล้วแล้วผมก็คิดกับตัวเองตลกผมเห็นตัวเองนอนอยู่แต่เวลาเราตายเราก็มักถูกจับให้อยู่ในสภาพนั้นผมไม่แน่ใจหรอกว่าอยู่ในนรกหรือสวรรค์ที่แน่ๆก็คงไม่ได้เป็นนรกละมั้งผมอยู่ที่นี่กำลังฟังว่าพวกเขาพูดอะไรกัน ผมค่อยๆซึมทราบว่าตัวเองตายไปแล้วจริงๆสิ่งต่อมาที่เห็นก็คือพวกเขากำลังยกร่างผมขึ้นและพาไปที่ห้องสวดโอ้โหที่รัฐนี่คือคำฉเฉลยผมต้องตายไปแล้วแหละผมเคยได้ยินเขาเล่าเรื่องคนตายและตอนนี้ผมก็ตายไปแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำคือไปพบบาทหลวงนิกายโปรเตสแตนต์เขาต้องรู้อะไรบางอย่างดังนั้น ผมก็ขึ้นไปยังที่ทัพของพระวิชาแล้วก็รอผมเห็นเขาเข้ามาและนั่งลงตรงโต๊ะทำงานของเขาผมสังเกตว่าไม่มีน้ำหนักของสิ่งใดดูหนักแน่นมั่นคงถ้าผมนั่งลงตรงเก้าอี้สัมผัสนั้นมันดูหวงหวงที่กลนเหมือนไม่มีอะไรพยุงน้ำหนักร่างกายผมผมเห็นบาทหลวงชราท่านเข้ามาและเดินตรงผ่านผมไปตรงไปยังโต๊ะทางานของท่าน เริ่มเขียนจดหมายทำงานต่างๆผมเริ่มคุยสับเขาและเขาก็ไม่ได้สังเกตรหรือรู้ตัวอะไรเลยผมคิดว่าท่านคงเหมือนคนอื่นๆผมคิดว่าท่านน่าจะรู้อะไรบ้างเลยเดินไปสะกิดหลายท่านพอท่านหันมาราวกับท่านรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างตัวผมอยู่ตรงนี้ท่านไม่รู้เลยต้องสะกิดท่านอีกท่านไม่เห็นอะไรและก็ลุกขึ้นท่าทางเหมือนตัวสั่น ผมนึกเหตุผลไม่ออกว่าทำไมท่านถึงตัวสั่นเหมือนรู้สึกหนาวอย่างไรก็ตามถ้าทางของท่านไม่รับรู้ว่านิผมอยู่ตรงนั้นผมคิดว่าอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นจอส์ฮอบกินเล่าเรื่องเหมือนวิญญาณทั่วไปไม่ได้รับการอบรมหรือการศึกษาให้ตระหนักเองได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในกรณีของผู้มีความรู้หรือปัญญาชนคนเหล่านี้ จะคิดออกเองได้ง่ายกว่าหรือไม่ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบูดและนางกรีนกำลังประกอบพิธีในเช้าวันจันทร์ตามปกติความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงของคนที่ฟังดูเป็นชนชั้นสูงเอ่ยว่าอารุณสวัสดิ์ผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ยินผมหรือเปล่าได้ยินบูดตอบเราได้ยินชัดเจนเสียงนั้นพูดต่อ ผมชื่อรูเพิร์ดบรูคส์โอ้ดีจังนังกรีนอุทานบรูคส์พาเราย้อนกลับไปสู่สงครามเมื่อปี1915เขาคือกวีแห่งยุคเอ็ดวาร์เดียนร้อยเรียงบทโครงซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการถึงทั่วแผ่นดินจักรภพอังกฤษถ้าฉันต้องตายคิดถึงเพียงส่วนนี้ของฉันบางดินแดนในท้องทุ่งต่างถิ่น นั่นคือแผ่นดินอังกฤษตลอดกาลไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากเขาแต่งบทโครงนั้นเขาก็เสียชีวิตลงบนเกาะแห่งหนึ่งในเอเจียนจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินผลงานของเขาอีกบัตรนี้มีเสียงปรากฏอ้างว่าตนเป็นลูเพิร์บรู๊ในห้องมืดกลางกรุงลอนดอนมีคนแนะนำผมว่าคงเป็นเรื่องน่าสนใจถ้าผมทำการติดต่อกับพวกคุณ จริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างหรือจะช่วยอะไรคุณได้ค่ะนางกรีนกล่าวดิฉันจะบอกให้คุณรู้เพราะมันอาจช่วยพวกเราได้เราอยากรู้ว่าคุณเสียชีวิตอย่างไรและคุณรู้ตัวในลักษณะไหนบรู๊สพลนาอยู่นานถึงการพูดใส่กล่องกำเนิดเสียงแล้วจึงหันมาพูดเรื่องชีวิตใหม่กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการเขียนบทกวี ในอังกฤษช่วงทศวรรษที่ห้าสิบขอโทษนะเขากล่าวอย่างขอไปทีมันยุ่งยากไปหน่อยเธอค่ะนางกรีนขยันขยอคุณเสียชีวิตยังไงหลังจากผมกลับมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นมันรวดเร็วมากเหมือนผมอยู่ในร่างที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งๆที่รูปลักษณ์ยังคงดูเหมือนเดิมผมไม่แน่ใจ ผมไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วทุกอย่างปกติแต่ร่างที่ผมอยู่กลับให้ความรู้สึกแปลกไปผมไม่รับรู้ถึงน้ำหนักมิแต่ความเบาอยู่รอบตัวผมหยิกตัวเองและตกใจที่ไม่รู้สึกอะไรเลยผมกังวลมากแล้วก็ต้องช็อกเมื่อรับรู้ว่าคนรอบตัวไม่มีใครมองเห็นผมคิดว่าถ้าตัวผมเองไม่รู้สึกอะไรตอนหยิบตัวเอง ทำไมคนอื่นถึงจะมองเห็นผมอยู่ในร่างเดิมผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องที่ผิดปกติไม่มีใครมองเห็นผมหากผมเห็นคนอื่นแปลกประหลาดผมจําได้ว่าตัวเองนั่งอยู่ริมแม่น้ํามองดูตัวเองแล้วก็ไม่เห็นตัวเองผมไม่เห็นแม้เงาสะท้อนคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิดปกติที่สุดผมมีร่างกายแต่ไม่มีเงาสะท้อนในน้ํา ผมยังปรับตัวเองไม่ได้ตระเวรไปทั่วเพื่อหาคนที่รู้จักพยายามบอกเขาว่ายังอยู่ดีสบายดีและพวกเขาไม่รับรู้ว่ามีผมอยู่ตรงนั้นก็แค่นั้นผมตระหนักถึงเหตุผลที่พวกเขามองไม่เห็นก็เพราะร่างผมไม่มีเงาสะท้อนไม่ใช่สิ่งที่มีความหนักแน่นในมวลสารไม่มีรูปทรงในสายตาของพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับคลื่นเดียวกันมันไม่เหมือนเดิม ผมต้องปรับตัวเองให้เข้ากับความจริงลักษณะร่างกายภายนอกของผมยังดูเหมือนเดิมแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ร่างจริงตามสายตามมนุษย์โลกผมยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าร่างวิญญาณและผมไม่ใช่วิญญาณที่มีพลังพิเศษอะไรผมงงตื่นตะลึงบรู๊คประสบปัญหาหคล้ายๆกับคอปกินการรับรู้และช็อกของคนสองคนค ล, คล้ายกัน ทั้งคู่เสียชีวิตตามธรรมชาติฮอปกินหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันบลู๊คเสียชีวิตเพราะโลหิตเป็นพิษหรือสาเหตุการตายจะเป็นตัวกำหนดความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี่คือลักษณะหนึ่งของการเสียชีวิตจะมีชาวบริเตน 7,000 คนเสียชีวิตบนท้องถนนในทุกปีหนึ่งในเสียนั้นได้มาเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังในวันที่10กุมภาพันธ์ปี1964 เท็ดบัตเลอร์กำลังเดินช้อปปิ้งกับภรรยาของเขาในวันเสาร์ที่หลีดจากนั้นผมกำลังเดินข้ามถนนและก่อนที่จะรู้ตัวมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าชนผมรถบรรทุกเสียหลักลงจากเนินมันชนผมผมลอยไปกระแทกกำแพงและหมดสติไปไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับความเจ็บปวดผมจำได้เขาเล่าต่อ รถพุ่งเข้ามาชนผมก็เท่านั้นมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากนางกรีนขัดจังหวะเพื่อต้องการข้อมูลที่แน่นอนคุณรู้สึกตัวได้ยังไงคะเออเขาตอบผมไม่รู้นะเท่าที่จำได้คือผมเห็นคนมามุงกันดูอะไรบางอย่างผมก็เข้าไปร่วมวงและเห็นร่างของใครสักคนที่รูปร่งหน้าตาเหมือนผมไม่ผิดเพี้ยนทีแรกผมไม่รู้หรอกว่านั่นคือตัวเองผมคิดว่า บังเอิญจังนายคนนี้หน้าตาเหมือนเราเลยคงเป็นฝาแฝดของเรามั้งผมไม่ได้ใส่ใจอะไรต่อไปแล้วก็หันมาเห็นภรรยาตัวเองเธอนั่งร้องไห้เป็นเผาเต่าท่าทางไม่ยอมรับรู้อะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้มว่าผมกำลังยืนอยู่ข้างเธอพวกเขายกร่างนั้นขึ้นรถพยาบาลภรรยาผมตามขึ้นไปพร้อมนางพยาบาล ผมรีบเข้าไปนั่งลงข้างๆภรรยาและท่าทางเธอก็ยังไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนั้นตลอดตอนนั้นผมก็ค่อยๆสํานึกได้ว่าไอ้ร่างที่กําลังนอนอยู่นี่แหละคือตัวผมผมไปโรงพยาบาลแน่ละ่ะพวกเขาเอาผมเข้าห้องเก็บศพผมไม่ชอบก็เลยรีบออกมาและกลับบ้านมีภรรยาของผมคุณมิชเช่นเพื่อนบ้านพวกเราพยายามปลอบโยนเธอ ผมคิดว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็มีพิธีศพแน่นอนผมไปร่วมพิธีด้วยผมคิดกับตัวเองว่าความวุ่นวายกับค่าใช้จ่ายในงานศพนี่ดูไม่คุ้มค่าเอาซะเลยก็ผมยังอยู่ตรงนี้นี่ผมคิดว่ามันอาจดูน่าประทับใจแต่ก็รู้สึกไร้สาระในเวลาเดียวกันเพราะผมยังอยู่แต่ไม่มีใครสังเกตเห็น บาดหลวงชรายืนทำพิธีอยู่ห่างๆผมคิดว่าท่านน่าจะรู้ถ้าหากมีใครสักคนรู้ผมเลยเดินเข้าไปหาท่านและพยายามใช้ศอกสกิดดุนท่านแต่ท่านไม่สังเกตอะไรเลยยังคงทำพิธีอยู่ต่อไปแล้วก็มีคนขุดหลุมฝังศพผมรู้จักหนึ่งในคนพวกนั้นเท่าทอมคอเนตผมเคยดื่มเหล้าสังสรรค์กับเขา เขากลบหลุมและคนอื่นๆก็ช่วยกันขุดดินทับลงศพหลุมศพกรบหลุมผมคิดว่านี่คืองานที่เขาทำได้ดีผมจะไม่อยู่ในกลุ่มนี้หรอกแล้วผมก็จากไปผมต้องแกลวอยู่แถวบ้านหลายสัปดาห์มีครั้งสองครั้งที่ผมขึ้นรถรางทีแรกก็งงๆแต่ผมก็ต้องหัวเราะคิดดูสินายตรวจต้องมารับรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าโดยสาร ผมเริ่มฟังคนอื่นๆเขาคุยกันจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นสิ่งอื่นผมเริ่มรับรู้ว่าทุกคนที่นั่งในรถรางสายนั้นก็ไม่ได้จ่ายค่าโดยสารแล้วผมก็ได้มีคนคุยด้วยเป็นครั้งแรกผมได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ข้างตัวผมเธอน่ารักดีเธอเป็นฝ่ายเริ่มคุยก่อนคุณมาทำอะไรที่นี่คะ ผมคิดว่านั่นเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีก็เลยถามเธอว่าคุณหมายความว่ายังไงที่ผมมาทําอะไรที่นี่ผมก็อยู่ตรงนี้เหมือนคนอื่นๆนะสิฉันทราบค่ะเธอตอบแต่คุณก็น่าจะทําอะไรสักอย่างไม่ใช่แค่ขึ้นรถรางลงรถรางหรือรถบัสแล้วก็เอาแต่ห่วงภรรยาของคุณคุณจะเอาแต่ทําอย่างนั้นไม่ได้เออผมเอยทุกอย่างนี้คงดีสําหรับคุณแต่คุณกําลังไปไหนล่ะ แน่นอนผมรู้ว่าเธอก็ตายแล้วเหมือนผมแต่เธอจะทำอะไรในสภาวะเดียวกับผมเล่าที่จริงเธอตอบฉันเองก็ขึ้นรถลงรถรางหรือรถบัสเหมือนคุณในบางช่วงแต่คุณคงไม่เคยสังเกตเห็นฉันจนถึงวันนี้ฉันกำลังรอโอกาสที่จะช่วยคุณเท็ดบัตเลอร์มาถึงจุดสุดท้ายของสภาวะขั้นที่หนึ่งแห่งความตายเขาได้พบกับ คนนำทางผู้ต้องพาเราจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า